นี่ มาหาหปเจ้าไปสงฆ์ไปสวดมนต์ทำบุญในสถานที่ต่างๆการไปทำบุญของเขาเราจะไปหนักเพราะว่านาจะไปเดินยองยองสะดวกสบายมันก็เป็นไปไดย้ยากเพราะสถาน ท, ที่ที่เขาทำบุญมีผู้คนนาแน่และก็มีโอกาสเวลาที่จะ เป็นจงกมได้ภาวานาสบายเหมือ น, นอยู่ในวัดในวาของเราแะนั้นทุกท่านที่มาบวชในศาสนาระยะเวลาที่ยังไม่มีใครมาเกี่ยวข้องต่องต่างนาต่างตาประพฤติปฏิบัติด่านอัดด่านทาให้เห็นให้เป็นในจิตในใจหากเราใจใส่ตั้งใจปฏิบัติจริงจังเรื่องความ เป็นไปของจิตนั้นทุกท่านจะต้องเห็นต้องเป็นไม่เหลือวิสัยต้องเป็นไปได้ทางมุ่งมั่นในการถือปฏิบัตริรักษาจิตใจของตัวจริงจังที่ไม่เห็นไนเป็นเนื่องจากตัวของตัวเองไม่ใช่เรื่องอันอื่นที่มายุ่งเกี่ยว เรื่องของตัวมันแล้ว ใ, ใจใส่ปล่อยให้อารมณ์สัญญา่อจิตในใจมันปรุงมันคิดคิดถูกอะไรไม่ค่อยเลยคำนึงคำนวณว่ามันได้มันเสียมันผิดมันถูกวนันคืนก็เลยหลวงไปหลวงไป <c oughs> ความดีอะไรที่จะเกิดขึ้นในจิตในใจก็เลยไม่เห็นไม่เป็นให้แต่นั้นจึงตั้งใจ เรื่องการปล่อยปละละเลยไปตามเรื่องของกิเลสเรื่องความชอบใจของตัวนั้นผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรทุกท่านก็ยังจะต้องทราบจากตัวของตัวเองว่ามันเป็นอย่างไรสมหวังหรือไม่มีความสุขความสบายหรือไม่หรือมีแต่ความวุ่นวายสายแสบไปตามเรื่องของอารมณ์สัญญา นี่จะต้องตรวจตรวจของตัวเองไม่ต้องไปหาคนอื่นมาให้คะแนนตรวจของตัวจะต้องทราบทำคําสอนของพระพุทธเจ้าในเข่าข้างออกขาไข้าหัดสั่งหน้าตั่งตาประพฤติปฏิบัติคนนั้นจะมีสิทธิ์รู้เห็นเด่นชัดในอัตในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ไม่ใช่ว่า คนนั้นจริงจะมีสิทคนนี้ไม่มีสิทธไม่เป็นอย่างนั้นมีจิตธิ์เดียกันทุกถนหน่ะในว่าพระหนุ่มพระกลางหรือผ้าแก่หรือคารวา <c oughs> หากรเราเพื่อปฏิบัติ <c oughs> เพราะทำนั้นเป็นเรื่องกําจัดความชั่วเสียต่างๆออกจากกายวายจาใจความชั่วเสียจะต้องมีสติ มีปัญญายิงแจะทราบเรื่องมันเกิดขึ้นหรือมันผ่านมาถ้ า, าขาดสติขาดปัญญาอะไรเกิดขึ้นขอหวบลักรวมเอาหมดไม่ทราบว่ามันจะเป็นพิษเป็นภัยใส่แก่ตัว <c oughs> อย่างไรหรือจะเกิดคุณประโยชน์อย่างไรไม่ได้คำนึงคำนวลไม่ได้คิดได้ปรุงไม่ได้วิจารณ์วิจัยเรื่องอารมณ์สัญญาอะไร มีแต่หอบเอาหอบเอาอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรให้นอกจากใจจะเศ่ามองนอกจากใจจะเป็นทุกข์ความจริงการเป็นอยู่ในศาสนาเลื่งอของกายรู้สึกว่าได้เสียคารวะเขาเราไม่มีธุระหน้าที่อะไรการงานอะไรมากเหมือนคารวะ เพราะชีวิตของนักบวชเป็นอยู่เดือคนอื่นเขา <c oughs> อาหารการกบฉันเขากอหามาให้และทำสุกมาให้เสียด้วยไม่ใช่โยนมาให้ดิบๆให้เรามาปรุงมาแต่งเอาเขาทำสุกมาให้ทุกอย่างเรามีหน้าที่จะกบฉันตามความต้องการของเรา ไม่ใช่ไปสแสวงหายุ่งเกี่ยวกับเรื่องอาหารผ่าถวนจนสบายใช้สอยต่างๆ่ว่ายีวรสังขาริหรือสบงอังสะผ่าบริวารต่างๆนั่นเขาก็หามาให้เราไม่ต้องไปซื้อไปขอเขาหามาให้บูชาผูกพืช ป, ปฏิบัติรักษาพระพุทธศาสนาแต่ต้อง เป็นผู้ที่มีอาจมีทรรมตั้งหน้าก่อพืชปฏิบัติเขาจึงหามาให้ส่วนคนที่ประพืชปฏิบัติไม่เอาฐานเพียงจะเป็นเพศของพระของเนนเท่านั้นจินทำไม่คำนึงคำนวณขอวัดปฏิบัติอะไรเสื่อมโทรมเสียหายไปคนแบบนั้นถึงจะอยู่ในศาสน า, าก็ลำบากลำพางจะต้องวิ่งเต้น แสวงหาและบางแห่งบางหนบางสถานที่ประกาศโฆษณาจะสร้างอันนั้นสร้างอันนี้หรือไม่มีใครมาจองกระสินเอาไว้มีใครจํานวนแถานั้นเน้นเแ่านี้ขอให้การมาจองกระสินเพราะวันนี้ว่างเลยมีใครเขาจับจองอย่างนั้นก็เคยได้ยินจากเสียงของโลกมันเกิดขึ้น ความจริงถ้าหากเราประพฤติปฏิบัติตามอาจถธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนจะอยู่ในสถานที่ใดก็มีคนเหลื่อมสายศรัทธามีคนต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติตามไม่ให้ขาดตกบกพร่องสิ่งของต่างๆสนับสนุนเต็มที่ขอให้ตัางหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติกายวาใจใจของตัวให้ดี อย่าไปคิดว่าจะอดอยากยากจนคนจะมองข้ามขอให้ตัวของตัวประพฤติปฏิบัติให้ดีเท่านั้นสิ่งต่างๆจะต้องมีมาทำอดอยากยากจนของพระเนรที่ประพฤติปฏิบัติตามอัฏฐธรรมนั้นจะไม่เกิดขึ้นสําหรับอา mith สร้างจิตของตัวให้อยู่ในวงของอัฏของธรรมได้ มันสุกมันสบายที่อยู่ที่อาศัยเขาก็มาปลูกสร้างเอาให้ไม่ต้องไปสแสวงหาเขาก็ควมเงินทองหรือพัสดุต่างๆมาก่อมาสร้างมันพอเป็นพอไปตลอดถึงหยุดยาแก้ไขเขาก็หามาให้และนี่มนไปรักษาถ้าหากเราประพฤติปฏิบัติ ถูกอาจถูกทำเพราะมันคิดว่าเสียมาเสียน้อยเท่าไหราะอะไรเลยปฏิบัติครูอาจารย์ที่แบบพืปฏิบัติดีตามอาจตามธรรมพขาเต็มใจทางนั้นหนเรื่องของชาของเนรเราจึงเป็นเรื่องสะดวกสบายทุกอย่างทั้งด้านวัตถุทางเราก็พืชปฏิบัติถูกต้องตามอาจตามธรรม ผู้อยู่ในศาสนาที่กระวนกระวายไม่สุขไม่สบายในใส่พ่อขาดแขนคนบำรุงรักษาเป็นไปจากจิตใจของตัวการขบการฉันการหนุง่งการห่มพอเป็นพอไปแต่จิตใจวิ่งวุ่นได้อันนี้อยากอันนั้น ไม่มีวันพอดีให้ทางศาสนาตำรับตำราปริยัติท่านจิงเล่าเอาไว้อันตรายของพิกษุสามาเนียนที่บวชใหม่มีอยู่สีข้อดดวยกันคืนหนึ่งเบื่อหน่ายในทมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่อยากทำตามท่านสอนไปอย่างหนึ่งแต่เราชอบไปอย่างหนึ่ง สห้ามอย่าอย่าแต่เราฝ่าฝืนทมจิตใจของมนุษย์ที่มีกิเลสตัณหาเป็นไปแบบนั้นด้วยกันท้งนั้นมันไม่อยากจะฝึกหัดดัดแปลงตัวของตัวให้ดีแต่อยากดีการทำดีมันไม่อยากทำเหมือนกันกันกบคนจนอยากรวยแต่ไม่อยากทำงาน เดินไปที่ไหนก็อยากจะให้กระเป๋าเงินเขาตกจะเก็บได้สะดวกสบายหรือไม่อย่างนั้นก็ซื้หอหวยกันเกิดจะได้กำไรมากๆอยากรวยทางลัดทางทีก็ผลจีเขาฮะความรวยมาใส่ตัวแต่ไม่ได้จิถึงอกคนอื่นนี <c oughs> ่คนชั่วเป็นแบบนั้นถั่วไฟเขาตำนินทา ตัวของเขาที่ทำอย่างนั้นก็ทำนองเดียวกันแต่คนอื่นมาทำกับเขาเขาก็าเสียใจแต่เขาก็ทำไปไม่ได้คิดว่าคิดถูกดีชั่วมีพวกนักบวชก็ท่านองเดียวกันถ้าหากเบื่อหน่ายในทำคาสอนของพระพุทธเจ้าการเป็นอยู่ของนักบวชถึงใจสะดวกสบายในการยินกันหมุ่มกันห่มต่งตางๆ แต่จิตใจมันก็กวนกะวายวิง่งวุ่นออกไปอยากได้อันนั้นอยากทำอันนี้ตาก็อยากดูหูก็อยากฟังสิ่งที่หย่วยวนจิตใจให้เกิดจิเลตตันหาไม่ลางับดับเรื่องชั่วของตัวข้อที่สองเห็นแก่ปากแก่ท้องทนความอดอยากไม่ได้ความจริงคนเรา ถึงจะมีอาหารการกินมากมายขนาดไหนก็จินเพียงอิ่มเดียวเท่านั้นกินอยู่ตลอดวันก็ไม่โตเผ่าช้าเพราะมนุษย์เพียงแค่นั้นถ้าหากเราครบฉันเพียงพอวันหนึ่งมื้อเดียวเท่านั้นมันก็พอเป็นพอไปในถาดขันคนจี่ฉันหรือทานมื้อเดียวอ้วนกว่าคนจี่ทาน สามมื้อสี่มือ้อกว่ายังมีไม่ใช่มันขาดอาหารนี่เรื่องของใจมันอยากอันนั้นมันอยากอันนี้แตาวิ่งตามเรื่องของมันในเวลาวิการทันห้ามเอาไว้ไม่สะดวกในการขบการฉันการอยู่การจินข้องตัวก็เลยทนไม่ได้ว่ามันจำเป็นอย่างนั้นมันจำเป็นอย่างนี้ทั้งจิตอยู่มาระยะเวลา หลายเดือนหลายปีก็ไม่เห็นอะไรที่มันตายไปที่อดมาทนมาแต่มันรบกวนจิตใจมันอยากเรื่องอาหารเรื่องปากเรื่องท้องนี่ก็เป็นของพอประมาณขอทีสามเพืิดเพลินในกามมาคุณที่อยากได้ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปข่อนนี้เป็นสิ่งสำคัญ สำหรับนักบวชเถิดเพลินมัวเมาเฝ้าฝันตาอยากดูหูอยากฟังกายอยากสัมผัสรสของอาหารที่บำรุงร่างกายนั้นมันพอเป็นพอไปแต่ใจอยากสัมผัสเกี่ยวข้องกับรสของการมคุณมันเป็นเรื่องวุ่นวายมากหาความสุขความสบายไม่ได้นักบวชไม่ว่าจะเป็นผักขาว <c oughs> หรือจะเป็นเนนเป็นทิกษุทันห้ามเพราะประเทนีที่ไปเกี่ยวข้องกับกรรมลมต่างๆที่ไปทั่วพันเบสบติดจิตรุงนั้นมันทาให้นักบวชถั่วไปกลายเป็นคนธรรมดาหรือเป็นสัตว์ดิลรกชนไปไม่ใช่ผู้มาละมาเว้นมาประพฤติปฏิบัติข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญ ของทุกท่านจะต้องระวังรักษาตาดูหูฟังผู้หายปีนิ้พีจะไดานะชำระใจของตัวอย่าให้ความชั่วเพื่อตามอารมณ์ต่างๆเข้ามาเกาะอาศัยในจิตใจของตัวได้มันพิดขึ้นกว่าอันนี้มันเป็นพิษเป็นภยัยไม่ใช่ศาสนาธรรมไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางออกจากทุกยิ่งไปหาทุก ขาดจิตจุ่มอยู่เกี่ยวไปเท่าไรใจก็ยิ่งเกิดทุกข์เกิดโทษเท่านั้นเลยอยู่ในศาสนายาก ท, ทั้งชางชีกกายไม่มีโรคภัยอะไรเบียดเบียนใจกิเลสตัณหาเบียดเบียนใจก็เลยอยู่ไม่ได้คิดว่าเป็นคารว์ดีกว่าจะได้ไปเกี่ยวไปชมไปดูไปสัมผัสไปเสพไปสมสะดวกสบายไม่มี ถ้าทำนีในหักห้ามเอาไว้ใจผิดคิดไปอย่างนั้นเป็นใจผี่ผิดจากอาจจากทำคำสอนของพระพุทธเจ้าฝูกคิดฝูกปรุงยอมได้รับทุกใจทิ่ความสุขความเย็นให้่านจึงให้ระวังรักษาเป็นอันตรายสำคัญสำหรับพระสำหรับนักบวชถั่วไป ข้าที่สี่อันตรายที่เกิดมีแก่นักบวชในตำราก็ราโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเขียนเอาไว้ก็มหมายถึงเพศผู้ชายสอนเพศผู้ชายแต่ผู้หญิงก็ทำนองเดียวกันถ้าเป็นนักบวชท่านว่ารักผู้หญิงมีหมายถึงสอนฝ่ายชายถ้าหาก ก่อนฝ่ายหญิงก็รักผู้ชายข้อนี้ตรงกันข้ามเพราะความจริงผู้ชายก็ชอบผู้หญิงผู้หญิงก็ชอบผู้ชายนี่มันเป็นธรรมดาแต่ไหนแต่ไรมาเพดตรงกันข้ามท่านห้ามไม่ให้ชอบให้จิตถ้าจิตไปชอบไปจิตในเพศแต่เราอยู่ในวัดจะไปเกี่ยวข้อง แต่ต้องส่วนเหล่านั้นมั่นผิดทางธรรมวินยัยถ้าเป็นพระก็จะต้องถูกขลุกาบัตคือสังทาทิเษถ้าไปเสพเข้าก็เป็นปรากชิกคือเป็นอาบัตหนักสุดวิสัยเหมือนกันกับคนคอขาดไม่สามารถที่จะมีชีวิตต่ตอไปได้หรือ ไ, ไม่ เ่อลนลงมาจากขั่วที่เหลืองแล้วไม่สามารถที่จะติดต่อให้เกียวต้วนอีกได้หรือตานถูกตัดยอดบวนไปแล้วไม่มีวันที่จะงอกขึ้นไปอีกนี่ท่านเียบเอาไว้เรื่องของคารุกาบาดอาบติปาราสิกคนที่ประพฤติผิดไปอย่างนั้นจะประพฤติปฏิบัติ ในชาตินั้นจะแก่ตัวแก่ตัวไม่ได้ถ้าอยู่ในศาสนาให้เท้าการไหว้ก็เป็นอาบัติหนักเป็นบาปมากเ้าไปเพราะเราขาดจากทิกษุขขาดจากนักบวชจะปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลไม่มีหวังเพราะใจคนผิดชั่วทีเสียทำไปผิดถึงที่สุดขนาดนั้น มันจะร้อนเขาทำอะไรลงไปใจใจสงบมันทำไม่ได้อารมณ์สั้นยาที่เราทำไปพอจิตใจจะละเอียดไปหน่อยมันก่ฟุมขึ้นมาคิดขึ้นม า, าเราทำชั่วทำเสียขนาดนั้นขนาดนี้ถึงคนอื่นไม่รู้แต่ตัวของตัวกต้องรู้ในตัวของตัวแต่นั้นท่านจึงห้ามเอาไว้ อันตรายทั้งสี่ประการนี้มันไม่มีอยู่ในตำรับตำรามันมีอยู่ในกายวาจาใจของผู้ประพฤติปฏิบัติจึงควรสังวนรักษาเมื่อเราห้ามกั้นจิตใจของเราไม่ให้มีอันตรายมาเกี่ยวข้องผัวพันได้หลีกเลี่ยงอันตรายโดยอุบายปัญญาต่างๆเช่นการหนุ่นการหฮม ไม่รูหลาสวยงามกอดตามแต่ก็อบอุ่นปิดอวัยวะเพศที่หน้าระายได้ป้องกันหนาวร้อนเรียบยยงได้เพียงแค่นั้นการนุ่งผม่มเพื่อความโปเจรหรูหางามตาอวดคนนั้นแข่งคนนี้การขบขันก็เหมือนกันพอประทังคาดถันเอาไว้จะได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ อาจทำเห็ดเป็นเม็ดเป็นหน่วยถ้าหากไมมีอาหารการขบฉันร่างกายก็อ่อนเซียใน ม, มีกําลังที่จะเดินจงกรมพัฒนาต่างหน้าต่างตาปฏิบัติตามอาจทำสะดวกสบายก็ขบฉันไปเพื่อเป็นยาสาหรับรักษาถาดขันโทนั้นไม่เด่นิยมรสชาอริดอร่อยเท่าไรสิ่งใดที่ไม่ พระวินัยสิ่งใดที่ไม่แสลงแก่ถาดขันโรคภัยของตัวนั้นละที่ท่านมีอาจมีทำผันรบชันได้ในรื่งเกียดในสิ่งนั้นเพราะสันาที่นี้ที่เจรณารอบในเรื่องของท่านหรือเรื่องยุ่งเกี่ยวตัวพันอยากสุขอยากสบายในคารวาัว่ามันสุขมันสบายอย่างนั้นอย่างนี้ ก็ให้มีปัญญาที่จะได้นาดูเขาอยู่ในคาอ่ะเขาสุขเขาสบายจริงหรือมันยุ่งมันลําบากขนาดไหนการงานไม่ว่ากลางวันกลางคืนจิตปรุงดุงเจเกี่ยวอยู่อย่างนั้นไม่มีวันที่จะมาหลับตาภาวนาสวดมนต์ไหว้พระสะดวกสบายให้เดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวอันนี้ยิ่งนี่ ครอบครัวเขาไปก็ยิ่งยุ่งใหญ่เพราะหลายปากหลายท้องจะนอนสะดวกสบายก็ไม่ได้เยอะลูกร้องไห้ก็จะต้องดูแลเยอะสิ่งของอยู่นั่นอยู่นี้มีเสียงแปกหุบแปลกตาขึ้นมาก็จะต้องห่วงว่ากลัวคนเขาจะมาฝนมาจี้มาลักมาเทอมวยอานนี้มันยุ่งแสนยุ่งยิ่งเชาวนา้า บอกเคยเห็นไหมพวกเราส่วนใหญ่ที่มาบวปกปกชพวก้าไร่สาวนากันมันทุกข์ยากลำบากข น, นาดไหนหลังสู่สู่ฟ้าหน้าสู่ดินทําอยากทําจินอาบเหงื่ออยู่ตลอดเวลาฝนตกมาก็เปียกอยู่นั้นอะ่ะเราไปบินถบาทฝนตกก็ยังมีร่มกันไปสะดวกสบายเวลามาฉันก็อยู่ในสถานที่โอโทง นั่งอยู่ในศาลาไม่ได้ฉันตามสถานที่ยุ่งยากลําบากนั่นชาวนาบางทีกินในคันนากินขาบฝนตกฝนหนังอยู่นั้นเคยเห็นนอกจากนั้นการตื่นนอนก็ตื่นแต่เช้ามีวัวมีควายม่ลูกบางทีก็หาบปิด บ, บ่าแล้วก็มีวัวมีควายจูง กันไปดึงกันไปทั้งข้างหน้าข้างหลังบางที่ก็ลูกร้องให้ตามหลังมันยุ่งแสนยุ่งลำบากแสนลาบากแต่คนที่น่ที่นี้พิจรารณาเลยถือว่ามันเป็นเรื่องสนุกมันเป็นเรื่องสบายมันเป็นเรื่องดีเรื่องวิเศษเพราะจิเลสทับถมจิตใจไม่ได้ใครคิดที่นี้พิจรารณาหาความจริงของมันมันจริงหลง ความมักใหญ่ไฟสูงตรงไปในทางกิเลสมันเกิดทุกข์เกิดโกรอย่างนั้นถ้าไปเชื่อมันจึงไม่มีหวังในความสุขความสบายได้มีใจจ ะ, จะทุกข์จะเดือดร้อนวุ่นวายแต่เมื่อเข้าถึงขั้นของมันแล้วจะกลับมาอีกมันก็กลับมายากพวกเขาจะดูหมิ่นนินทาว่าหาจินไม่พอปาก้อท้อง ตึกออกมามีครอบครัวเรี่ยงเขาไม่คุ้มเลยวิ่งเข้ามาบวชอีกกลัวเขาจะดูถูกดินทาอย่างนั้นหรืออีกอย่างก็ไมาชิดทางจะมาประพฤติปฏิบัติจิตใจของตัวมันเป็นไปหลายแง่หลายมุมที่ให้ทุกข์ให้โทษแก่ตัวรักผู้หญิงรักผู้ชายก็เหมือนกันเราต้องมีปัญญาตั้งมัน่นที่นี้พิจารณา หาทางแก่ไขไใจของตัวใจเท่านั้นที่มันไปยุ่งเกี่ยวกายจริงๆมันไม่รู้เรื่องอะไรไปทิ่งไว้ที่ไหนมันก็อยู่อย่างนั้นเหมือนกันกับก้อนดินหรือถอนไม้มันไม่ไปไปที่ไหนถ้าไม่มีจิตมีใจมันไม่มีความหมายอะไรเรื่องของกายแล้วที่มันไปยุ่งไปเกี่ยวไปถอบติดในเรื่องนั้น มันเป็นอะไรกันเรื่องนั้นนั้นมันสวยงามน่าอยากได้หน้าจูบหน้าชมจริงหรือเี่คายออกดูหูของมันตาของมันมีขี่ไหมจมูกของมันเป็นอย่างไรยิ่งหน้าที่เราชอบยิ่งมีขุมที่อยู่นั้นต่างหลายขุมตาสองขุมหูสองขุมจมูกอีกสองขุมปากอีกขุมหนึ่งเป็นเจ็ดขุ ม, มะ มันไหลออกมาอยู่ทุกระยะเวลาเช้ากาละเชี่ยงกาละเย็นกาละร้างขี้ออกจากหน้าแต่เราก็ถือว่ามันสวยมันงามเพราะไม่ได้ที่เจรานาหาความจริงของมันเลยอยใจกันว่ามันดีมันดีมันชอบขี้สำหรับตัดที่ชั่วที่เสียของดีมีค่ามันไม่ชอบจิตใจของคนผิต มกิดนาะด้วยจีเรตันหามันก็ชอบอย่างนั้นมันไม่ชอบอาจชอบคำสี่พระพุทธเจ้าทรงแนี่สอนมันจึงหลงไหลใฝ่ฝันในสิ่งที่ไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรให้ทางพิจารณาแจกไขใจคล่องตัวพิจารณาไปหลายแง่ยหลายมุมอ่ะพิจารณาเป็นอสุภะอสุภางกวดด่าจะพิจรารณาเรื่องความตาย ก็สามารถแก้ไขใจของตัวสี่่วดเสียออกไปได้ทางมันเปิดกว้างอยู่เราจะเดินไปคิดใดทางไรเดินไปได้หากร่างกายของเราไม่มีโรคภัยแข็งแรงพอจะไปนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าแปด0มืี่พันธรรมขันมากมายหลายหลวงที่เราจะมาแก้ไขใจของเราสี่่วดเสียแต่ทำไมใจจึงไม่ ที่จะแก่ตัวมีแต่จ ะ, จะเอาเรี่ยงชั่วมาทับผมเลื่อยไปคนอย่างนี้เป็นคนโง่หรือคนฉลาดจะต้องดูตัวของตัวสอนตัวข้องตัวนี่อุบายพิธีที่จะแก่จิตใจให้ตั้งมั่นเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาจะเกิดวิชาริมุติถ้าแก้ถูกพิจารณาถูกทำคำสอนของพระพุทธเจ้ า, านั้น มันเป็นยาสําหรับขับไล่กิเลสตัณหาออกจากใจใครมีทรรำไปจําใจแล้วกิเลสตัณหามันกลัวอาวุธจะร้ายขนาดไหนมันไม่กลัวให้สําหรับกิเลสตัณหาพราหากสติปัญญาธรรมะของพระพุทธเจ้ามันกลัวมันไม่กล้าที่จะมาลวนรามเพราะเหตุใดเพราะสติปัญญาธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเครื่องขับไล่ เป็นเครื่องสังหารกิเลสตัณหาออกจากใจใครที่มีสติปัญญามีธรรมะในใจคนนั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงศาสนาเป็นผู้ปฏิบัติศาสานาจิตใจของตัวที่ชั่วเสียต่างๆนับวันที่จะเบาบางสงบเย็นลงไปไม่เดือดร้อนเพราะกิเลสตัณหาเพราะอารมณ์สัญญาต่างๆ เข้ามาแผดเขานี่ทางปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าเรามีทางฝระพืชปฏิบัติได้ไม่ใช่ว่าหมดการหมดสมัยเพราะทำเป็นอาการลิโกไม่มีการมีสมัยใครตั้งใจประพืชปฏิบัติที่นี่พิจรารณาสำระใจของตัวคนนั้นแหละจะรู้จะเข้าใจจะสนบจะเห็นจะเห็นพระนิพพาน ท, ท, ท่านข้างสี่พระนิพพานไม่เคยเห็นคนจะเห็นขึ้นว่ามันอยู่ที่ไหนพระนิพพานนั้นมันไม่ได้อยู่ฝากฟ้าไม่ได้อยู่ใต้ดินมันอยู่ที่จิตของเราเนี่ยพระนิพพานไม่ได้ไปอยู่สถานที่อื่นเ<ๆ> ม, นมื่อกําจัดทับไล่กิ้เหลวตันหามาหน้าทิพย์อวิชาอุปาทานตกออกไปนิพพานอยู่ที่ไหนคนนั้นจะทราบจะเข้าใจแต่นั้น การประพฤติปฏิบัติตามอัตธรรมของพระพุทธเจ้าจึงจำเป็นที่พวกเราทุกคนควรสนใจควรประพฤติปฏิบัติเพราะนักบวชคือผู้ประพฤติปฏิบัติซึ่งเป็นสาสนะทายย้ายยากสืบพระพุทธเจ้ามาถ้านักบวชไม่มีคำไม่มีวินยัยจิตใจชั่วเสียความประพฤติทางกายทางวาจาไม่ น, น่าเลื่อมใสแล้วจะมีใครในโลก เราพิสปิบัติตามอาจทำได้นักบวชมีหน้าที่ที่จะชาระกายใจของตัวจึงควรอย่างยิ่งที่จะกระทำบาเพ็ญให้รู้ให้เห็นให้เป็นในจิตของตัวไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีความสุขความสบายให้หากันสอนใจของตัวละชั่วบําเพ็ญดีอย่าไปคิดว่าการนั่นก่อนการนี้ก่อนเวลานี้ยัง อายุน้อยอยู่ยังหนุ่มอยู่ความตายมันไม่เลือกหน้าอยู่ในขันไม่กี่วันมันกวดตายแท่งออกมามันเอาแน่ไม่ได้ความตายเราจะไปขาดหมว้ว่าอายุแก่เช่นก่อนจึงจะทำอย่าไปคิดอายุแก่อารมณ์สัญนยาที่เคยคิดเคยปรุงดุ่มเกี่ยวกับชิเลตตัญหามันจะตกไปก็่ใหญ่จะคิดมันแก่แตงแก่เรื่องของขาดของขัน ของกายทถานั้นจิตใจมันไม่มีแก่มันยังคงเส้นคงวาของมันมันเรื่องกิเลสัญหามันจะตกไปเองของมันเป็นไปไม่ได้ต้องรักษาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยธรรมะของผู้ธเจ้าขากเพียนคับไล่ความชั่วทั่วไปให้ตกนี่คือนัก บ, บวชผู้ที่จะสื่อพระพุทธศาสนาที่จะดำรงไว้ถึงมรรคถึงผล ในใจบวชมาแล้วก็มากินมาขี่มาเลี้ยงกิเลสตันหาให้เติบโตขึ้นความคิดความปรุงยุ่งเกี่ยวเรื่องต่างๆยิ่งมากขึ้นไม่ไดีมาบวชสะสมกิเลสบวชทําลายกิเลสพระพุทธเจา้าสอนบวชทําลายกิเลสเราถึา่งถือว่าพุทธทางธรรมังสังฆังสาระนังสัจฉานิปฏิบัติตามท่านหรือไม่หรือยังฝ่าฝืนอยู่ ซา่าฝืนบาททาไมพุทธทางธรรมังสังขังสารนังกระชันถึงพระพุทธเจ้าถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถือพระธรรมพระ อ, อ, really, อริยสงฆ์เป็นสรณะเราเหยียบย่ําทําลายศาสนาหรือเราเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าการทําก็ดีการพูดก็ดีการคิดทางใจก็ดีให้พิจารณาให้ทีท่วนรักษาตัวคล่องตัวคนอื่นไม่ใช่ทาส กี่ข่าพอจะมารักษาชายวา่ายใจของเราเราเองเท่านั้นทามุ่งดีหวังดีจะต้องรักษาตัวให้ดีไม่มีคนอื่นจะมารักษาให้ขอทุกคนจงตั้งใจพิ่นิ้ที่เจาำระปฏิบัติผู้ที่เข้าถึงอาจถึงธรรมจริงจังแล้วสุกมากสบายมากไม่มีอะไรในโลก ที่จะสุขจะสบายเช่าจิตใจพ้นไปจากกิเลสตัณหาแต่คนไม่เคยเห็นใคยเป็นในจิตในใจหลงไหลไฝฝันมืด บ, บอดในกิเลสตัณหาเท่านั้นจึงไม่เห็นคุณค่าของธรรมะจึงไม่อยากศึกษาไม่ปฏิบัติเพราะเชื่ อ, เ, อ, อเรื่องของกิเลสตัณหามันปิดบังเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่าง เห็นร้อนเป็นเย็นเห็นถุกเป็นทุกเห็นผิดเป็นถูกเห็นดีเป็นชั่วไปนี่คือจิตใจที่มืดบอดด้วยจีเดียร์ตัญหามันเป็นอย่างนั้นดังนั้นขอทุกท่านจงหมั่นที่นิพพิจนาตังหาตังตาประพฤตปฏิบัติรักษากายวาจาจจิตของตัวอย่าไปให้วันคืนเดือนปีผ่านไป เรียบเปล่าประพัติปฏิบัติให้เห็นให้เป็นในจิตในใจตายเมื่ อ, อไรฟ้องเสมอเราจะไปสู่จุดใดที่ใดนั้นไม่มีทางสงสัยเราทราบจากใจของเราที่ประพัติปฏิบัติเราหลงไหลใฝ่ฝันอยากได้อะไรของในโลกไม่มีใครที่จะหอบหิวหาบหามไรได้ความลุ่มหลวง เรื่องกามอารมณ์ต่างๆว่ามันสุกมันสบายมันดีมันดีเสรมันเป็นเรื่องกิเลสสัต์มันก็เสพกันได้คนเสพกามสัต์เสพกามไม่ใช่ความสุขความสบายหน้าตาทีเคยผ่องใสสวยงามตาเล่นกามเข้าไปก่อนหน้าตาเหลืองติดหอมไม่มีกำลังทางกายทางใจจะให้มันอิ่มมันพอ มันเป็นไปไม่ได้ทันจริงว่าสัก์ไม่อิมในการเสพกามเสพเท่าไรก็ยิ ง, งหลงไหลยิ่งเผิดเพลินยิงมัวเมายิงเต่าหมองไปแถอนั้นไม่มีทางที่จะจืดจางเบือนหน่อยพยายามที่นี้พี่เจนะสำระใจของตัวอย่าให้มันไปติดไปขวองไปเผิดไปเพลินไปหลุมไปหลง อันตรายทั้งสีข้อสิพระพุทธเจ้าหักห้ามเอาไว้ไม่ว่าพิษุใหม่พิษุเก่าถ้าหากสิ่งเหล่านี้มากก็เกี่ยวพัวพันในจิตในใจคนนั้นเป็นอันตรายในกา ร, รธปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าหากกราจัดขับไล่สส่งสัญญาอารมณ์เหล่านั้นให้ตกออกไปใจจะเป็นศีลใจจะเป็นพระคือผู้ประเสริฐ ใจจะเป็นสมณนะคือผู้สงบเราต้องการความสงบต้องการความประเสริฐไหมหรือต้องการความโง่ความวุ่นวายของจงทินนิพพิจาดูจิต ด, ดูใจของตัวมีสติทราบในเรื่องของใจทิ่ไปเกาะเกี่ยวมีปัญญาเนียสอนใจไม่อย่างนั้นก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะแก้ไขมันได้นะับวันที่จะลุ่มหลง มัวเมาเลื่อยไฟทั้งๆ ท, ที่เพศเป็นเพศจิตไปเสด็จอยู่จินหลับนอนจากคนอื่นเขาเขากราบไาหวาบูชาว่าเราประพฤติตัวดีมีศีลมีธรรมแต่จิตใจมันหมืดดำไปด้วยจิเลตันหามันกวนหน้าสงสารเบทธนาหน้าที่จะสอนตัวเอง ปรับปรุงตัวเองให้ดีอย่าไปคิดว่าเรามันไม่มีอำนาจบาตสนาเรามันมีอำนาจบาตสนาถ้าหากเราสร้างอำนาจบาตรสนาให้แก่ตัวค้องตัวถ้าหากไม่สร้างอำนาจบาตสนาถึงมาบวชเป็นพระก็เพียงแต่เพศจิตใจมันเป็นเศษเป็นมารเหยียบย่ำทำลายตัวค้องตัวเองและพระพุทธศาสนาไม่มีทางที่จเจริญเจ้าหน้าไปสู่มรรคสุผลได้ ต้องสอนตนอย่างนั้นไม่อย่างนั้นก็ไม่มีวันที่จะดีจะดีจะกลับตัวได้เรื่องของธรรมะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเ <c oughs> นี่ยสอนกายวาจาใจของบุคคลสิ่งที่ชั่วท่านก็บอกห้ามเอาไว้สิ่งที่ดีควรกระทำมำเชนท่านก็เน้นำํำสั่งสอนให้เดีเราจะทำอย่างไรจึงจะเป็นไปเผื่อ ความบริสุทธิ์หลุดจากกิเลสตัณหาก็เป็นหน้าที่ของเราควรที่จะแนวสอนใยมาจากใจของเราอีกในใจพระพุทธเจ้าสอนแล้วเราจะดีไปถ้าเราไม่ปรับตัวละชั่วประพฤติตัวให้ดีแล้วมันไม่ดีไปจะจำมาได้มากขนาดไหนมันก็เป็นความจำและกิเลสอยู่ในจิตในใจไม่มีอะไรตกหลุดออกไปมีแต่ทิฏฐิมานะว่าเราเรียน ได้นักธรรมตีนักธรรมโทนักธรรมเอกมาหาบาลีนขันนั้นขันนี้แต่จีเลี่ยตัญหาที่อยู่ในจิตในใจมันเป็นอย่างไรหรือใจมันยังมืดยังบอดยังเป็นสัตว์งมนั้นงมนี้เห็นขี้ว่าเป็นของดิีของดีอยู่ใดูจิตใจของตัวการประพฤติปฏิบัติทําลายสิ่งที่ชั่วทําจิตทําใจของตัวให้สะอาดผ่องใสจึงจะได้เชื่อว่าผู้ประพฤติปฏิบัติ ตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนคนที่เข้าซึงอัตซึงธรรมจริงจังแล้วสงบระงับมีความสุขความสบายเห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วเห็นผิดเป็นผิ ด, เ, ผดเห็นถูกเป็นถูกนี่คือการประพฤติธปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนประจกักษ์ชัดเจนเป็นสันติทิฏฐิโกในตัวดังนั้นขอทุกท่านเมื่อได้สดับรับฟัง ทำเตือนมาจงนำไปที่นี่พิจารณาศึกษาต่างหน้าต่างตาปฏิบัติต่อแต่นั้นไปก็จะมีความสงบเย็นภายในการอธิบายธรรมะเห็นแบบพอสมควรวถึงเวลาขอยุติเพียงแต่นี้เองบัง